อวิชานะเขาทำหน้าที่ปิดอย่างเดียวปิดอดีตปิดอนาคตปิดปัจจุบันปิดปัจจุบันปิดไม่ให้เกิดการจำแนกแยกแยะไม่ให้มีการวิเคราะห์ปิดไม่ให้การจำแนกเหตุปัจจัยในอดีตจะปิดไม่ให้จาแนกแต่แจงเหตุปัจจัยในอนาคตปิดปิดปิดปิดปิดปิดไว้อย่างเดียวปิดไม่รู้ว่านี้คือกองทุกนะตันหาก็บอกเออปิดใจปิดนะฉันชอบไม่เป็นไร นะครับอกเออเที่ยงนะสุขดีงามยั่งยืนอัตตาอนาคตต่อไปก็งามเที่ยงสุขยั่งยืนอัตตาปัจจุบันนี้ก็สุขเที่ยงงามยั่งยืนและอัตตาตันหาก็ชอบเอาอาวิชากับตันหาอันนี้พอเกิดขึ้นอย่างนี้มันต้องทํากรรมได้ใช่ไหมก็ทําทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพูดพูดทําร้องรําทําเพลงทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ ทำปาณาทิบายก็ได้อาทิตนาทานก็ได้กาเมสูมิ ช, ช้าฌานก็ได้พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้ออภิชาและโธมรัสตลอดจนถึงมิจฉาทิฐิเพียงใดก็ทําได้เพราะอาวิชชาปิดความจริงตันหาเพลิดเพลินในสิ่งนี้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็ทําอยู่ร่ําไปเพราะอนะตันหาอาวิชชาทําให้เกิดกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมกรรมเหล่านี้ก็ทําให้มี ชาติชรา ม, มรณะโสกะปริเทวทุกโธมนัตและอุปายาเป็นไปอยู่อย่างนี้ร่ำไปร่ำไปเ พ, เพื่อจะดับอวิชชาเพื่อจะดับอวิชชาจึงต้องพิจารณาอดีตพิจารณาอนาคตและพิจารณาปัจจุบันพิจารณาว่าผลนี้มีอยู่เกิดจากเหตุนี้นะเช่นสังขารทั้งหลายในปัจจุบันเกิดจากเหตุในอดีตเหตุในปัจจุบันทาให้มีสังขารต่อไปใน อนาคตการเชื่อมโยงเป็นไปอย่างนี้อดีตก็สิ้นแล้วในอดีตอนาคตก็จะสิ้นปัจจุบันก็กําลังสิ้นไปสังขารทั้งหลายที่เกิดในอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตอนาคตจกสิ้นปัจจุบันกําลังสิ้นอยู่อนาคตกำลังหมดไปสิ่งใดในอดีตไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะสิ้นไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอดีตอันนั้นก็คือความทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา บอกได้ไหมว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็บอกไม่ได้อนาคตจกสิ้นไปใช่ไหมนะก็คิดง่ายๆไ ง, ง, งบอกว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยในอดีตคนทั้งหลายก็ตายกันหมดแล้วแล้วไอ้ความตายเหล่านั้ น, นเนี่ยสิ้นไปเนี่ยไอ้ความตายเหล่านั้นดีหรือไม่ดีความเป็นความสุขหรือความทุกข์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วในอดีตเกิดมาเพื่อตายถามว่าเกิดมาแล้วก็สิ้นไปไม่เหลือ แล้วถามว่าไอ้ความเกิดเหล่านั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์แล้วมีใครมีอำนาจจริงๆริงไหล่ะในเรื่องความเกิดความแก่ความตายในอดีตอนาคตสัตว์เกิดมาเท่าไหร่ในโลกเกิดเท่าใดตายเท่านั้นไม่มีตายหย่อนไม่มีตายเกินตายพอดีกับจํานวนที่เกิดเมื่อเกิดเท่าใดตายเท่านั้นเกิดมาเพื่อตายถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วใครมีอำนาจบอกว่าไอ้ที่เกิดมาแล้วก็จงเป็นสุขเขาจงยั่งยืนตลอดไป ก็มีแต่ลทัทธิหลอกหลอกบอกว่าคุณจะไปอมตะที่นั่นที่นี่จริงไหมถ้ามันมีอยู่จริงของเราคงพบแล้วนะวไปมาเยอะแล้วน้ำตา ม, มากกับน้าทะเลมาหาสมุทรนี่ก็แสดงว่าไปเศร้ามาไม่ใช่น้อยไปเกิดไปเสียใจมาไม่ใช่นิดไม่ใช่หน่อยเลยเพราะในอนาคตต่อไปถ้าเราหวังการเกิดก็เป็นเช่นนั้น น, นะเช่นนั้นแล้วปัจจุบันนี่ล่ะ ปัจจุบันนี้ะปัจจุบันนี้เราคิดไหมว่าเราจะไม่ตายตายแน่แต่ไม่รู้วันไหน น, นะผลัดได้ไหมก็อาจจะได้นิดหน่อยตามแต่อาหารและยา อ, นนะอาหารและยาอาจจะช่วยประทังประทังเลื่อนวันตายได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าเกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเพราะที่สุดแห่งความเกิดก็คือความตาย เมื่อตายอย่างนี้แล้วเมื่อจะต้องดับเช่นนี้แล้วเหมือนนะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอย่างนี้เนี่ยนะเราก็บอกเออความจริงสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปร ى, ปรวนไปเป็นธรรมดาการพิจารณาอย่างนี้ก็ละความโง่ไปอีกอย่างหนึ่งนะนะละความโง่ในอดีตว่าสังขารทั้งหลายในอดีตที่เกิดแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว อันนะั้นเกิดด้วยอำนาจเหตุและปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็สิ้นแล้วเสื่อมแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วอันนี้ก็ดับความโง่ในอดีตอนาคตต่อไปก็จะเกิดด้วยเหตุและปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่อาศัยการเกิดขึ้นก็จะต้องมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ละความโง่ความเขลาวความไม่รู้ในอนาคตปัจจุบันเหล่าสังขารเหล่านี้ก็เป็น เช่นนี้แหละปัจจุบันนี้สังขารก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปลวนไปอยู่ในปัจจุบันนี้แหละฉนั้นก็กําจัดความเคลาในปัจจุบันกําจัดอวิชชาในอดีตกําจัดอวิชชาในอนาคตกําจัดอวิชชาในปัจจุบันเพราะอวิชชามันไม่ให้รู้ความจริงหรอกว่าอดีตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาอนาคตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดา ปัจจุบันนี้สังขารเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั้นพระองค์จึงสอนไวในอายตนาวิพังอนนะัสุดตันตภาชนีอภิธรรมปิดกคัมภีวิพังกปกรณอนนะวิพังก็อยู่ใน18วิพังอยู่วิพังข้อที่สองว่าจักควายตนะคือตาในอายตนะคือตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา อายตนะคือรูปคือสีเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอายตนะคือ <zin> หูหูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอายตนะคือเสียงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอายตนะคือจมูกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาอายตนะคือกลิ่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาอายตนะคือลิ้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาอายตนะคือรสไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาอายตนะคือกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาอายตนะคือ โพธะภะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาแล้วอายตนะคือใจที่อาศัยตาอาศัยสีอาศัยหูอาศัยเสียงอาศัยจมูกอาศัยกลิ่นอาศัยลิ้นอาศัยรสอาศัยกายอาศัยโพธะภะใจอายตนะคือใจเหล่านี้จักเที่ยงมาแต่ไหนมันจะเที่ยงมาได้อย่างไงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาแล้วทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิต อั uh, นนะั้สิ่งใดที่เกิดร่วมกับใจสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอายตนะสิบสองเหล่านี้ในอดีตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอนาคตอายตนะเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอายตนะภายในฉันใดอายตนะภายนอกก็ฉันนั้นภายในฉันใดชีวิตเราฉันใด ชีวิตของสัตว์อื่นก็ฉะนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตามีความแปรปลุนไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นเหมือนกัน น, นะก็สิ่งใดไม่เที่ยง น, นะสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไอ้ความไม่เที่ยงนั่นแหละพระองค์จึงบอกว่าอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไอ้ความเป็นทุกข์ล่ะทุกข์กับของร้อนมันเหมือนกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อายตนะเหล่านี้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็เป็นของร้อนทำไมจึงร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นที่ตั้งแห่งราคะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโทสะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโมหะเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเป็นที่ตั้งแห่งความอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รู้เป็นที่ตั้งแห่งวิปลาสแล้วตัวเขาเองคือตัวชาติชราและ มรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสิ่งเหล่านี้จึงเป็นของร้อนจึงเป็นทุกข์เป็นตัวโรคเป็นตัวฝีเป็นตัวที่เป็นลูกสอนเป็นตัวที่ลำบากเป็นตัวเจ็บไข้เป็นตัวที่พึ่งไม่ได้ไม่มีที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของใครไปพึ่งไปแอบไปซ่อนไปเร้นก็ไม่ได้นะเป็นของที่อาพาธเป็นของที่นะ เป็นอุบาสเป็นของที่ไม่นํามาสร่งความเกษมไม่นํามาสร่งความปลอดภัยนํามาสร่งทุกขโดยส่วนเดียวแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนัตตาเพราะว่าว่างจากความเที่ยงความสุขยั่งยืนงามและอัตตาเป็นดังฝ่ายอื่นเป็นฝ่ายอื่นจริงๆไม่ใช่ดังนะมันเป็นฝ่ายอื่นจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่ามันเหมือนอยู่ในตัวแต่ตัวไม่มีอํานาจเราจะเรียกว่าของตัวได้ไหม ไม่มีอำนาจอะไรเลยนะอย่างเช่นในร่างกายของเราเนี่ยนะบอกมีอำนาจบอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าตายนะจงอมตะยั่งยืนตลอดไปไม่มีอำนาจแต่บอกเราไม่มีอำนาจนะแต่ต้องให้เราเลี้ยงเหมือนอย่างว่าเอาลูกใครไม่รู้มาให้เราเลี้ยงห้ามตีห้ามอะไรคุณมีสิทธิเลี้ยงอย่างเดียวมันจะโวยวายมันจะอะไรก็ช่างเลี้ยงมันไปอย่างเดียวถามว่าน่าพอใจไหม เราก็เหมือนกันเลี้ยงดูขันห้าตัวนี้ก็เหมือนกันไม่มีอำนาจอะไรเลยไม่เชื่อลองดูตอนป่วยนะี่จะเห็นชัด <c oughs> ตอนที่ป่วยตอนที่ไม่สบายตอนที่นั้นอะ่ะจะเห็นชัดแต่ตอนนี้ก็น่าจะเห็นชัดนะแต่หิวข้าวนะบอกอย่าเพิ่งหิวเลยเรออีกหน่อยได้ไหมมันเชื่อไหมตอนไม่สบายใจบอกว่าแกเลิกไม่สบายใจได้แล้วแกเลิกเครียดได้แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วฉันเครียดมาให้แกมากเลยนะมันเชื่อไห ม, มเชื่อมีเชื่อสักอย่างนะ ไม่มีอํานาจอะไรเลยเว้นไว้แต่รู้เหตุรู้ปัจจัยรู้อะไรก็พอจะประทังประทังไปเท่านั้นแหละแต่ก็เป็นของชั่วคราวมั้นไม่มีผู้ใดมีอํานาจในสิ่งเหล่านี้จริงบอกว่าขันเหล่านี้ที่เกิดมาแล้วจงตั้งอยู่ อ, อย่าตั้งอยู่ไอ้ที่ตั้งอยู่ก็อย่าแตกทําลายไปไม่มีใครมีอํานาจถ้าหากผู้ใดจะกล่าวว่าจากักรคเป็นอัตตาแล้วไซก็ต้องบอกว่าจากักขคูขออย่าเกิดที่เกิดแล้วก็ขออย่าแตกทําลายไป มีอำนาจไหมหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันอยากเกิดไอ้ที่เกิดแล้วจงอยากจงได้ตั้งอยู่ที่ตั้งย่ออยากตั้งอยู่ไอ้ที่ตั้งอยู่แล้วก็อย่าทําลายไปก็ไม่มีอํานาจใดๆโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอนัตตาพราะองค์บอกว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมได้ตามความปรารถนาว่าขอสิ่งเหล่านี้ อย่าอขอจงเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาจึงไม่มีใครมีอํานาจอย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ดีนะบอกกูสนก็เป็นอนัตตาอย่าเจริญเลยถูกไหมเคอคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะถ้าศึกษาผิดพลาดพอเรียนมาอย่างนี้เข้าก็จะโยนว่า สติก็เป็นอนัตตาปัญญาก็เป็นอนัตตาทุกอย่างในโลกเป็นอนัตตาไม่ต้องทำอะไรสักอย่างกล่าวตูคคำสอนพระพุทธเจ้า น, นะพออง์บอกว่าจงภาคเพียรจงพยายามจงขวนขวายจงรีบเร่งอย่าประมาจจงลุกขึ้นเถิด น, นะจงภาคเพียรจงพยายามจงหมั่นประกอบจงอุตสาหะในพระพุทธศาสนา น, นะผู้ใดที่ปฏิบัติตามคาสอนผู้นั้นจะพ้นจากชาติและสงสารได้ มันเมื่อรู้ความจริงอันนี้แล้วเนี่ยนะก็ควรแล้วที่จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในสังขารทั้งปวงสมควรจริงๆนะที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นจากสัพพะสังขารสัพพกองทุกทั้งมวลทีนี้เมื่อสังขารเป็นอย่างนี้เข้าเนี่ยนะเราก็มาศึกษาว่าสังขารเหล่านี้เวลามันเกิดมันเกิดยังไงนะทวนมาที่รูปนะเวลารูปจะเกิดเกิดยังไงที่เรียกว่าพิจารณาว่ารูป ก็แบ่งเป็นกรรมมะชะื้รจิตตชะรูปโรอุตุชรูปโรและอาหารชรื้โรกรรมมะชะรคเจริญเติตบโตมาอย่างไรคือบางทีเนี่ยนะบางกลุ่มเนี่ยศึกษาพอเข้าใจผิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วครนี่มันไม่เที่ยงก็รู้อยู่ข้านั้นนะนะคิดว่าไม่เที่ยงหรือรู้ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงหรือเดาว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันตกลงเอาอยัางไง ต้องมีปัญญาที่เข้าไปวิจัยร่อบรู้โดยความไม่เที่ยงไม่ใช่เดาเอาคาดว่ายังไงมันก็ไม่เที่ยงกลายเป็นนักกะนิยมเนี่ยนะเป็นตรกกะวิทยาเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่เขาเขารู้ว่าความไม่เที่ยงมันยังไงเช่นบอกรูปเนี่ยอย่างรูปของเราทั้งหลายที่เป็นกรรมชรูปมันเจริญเติบโตมาได้อย่างไงกรรมชรูปเกิดตั้งแต่พร้อมปฏิสนที่จิตในอุปาทขณะและกรรมชรูปก็เกิดทุกอนุขณะจิตมาโดย ลำดับไอ้ที่พอครบอายุ17ขณะจิตก็ดับไปแตกทำลายไปนะทีนี้กรรมที่ทําให้รูปเกิดเรียกว่าชนะกกรรมกรรมที่ทําให้รูปเกิดทุกอนุขณะจิตเรียกว่าชนกกรรมกรรมที่มาอุปธรรมให้กรรมมชรูปเหล่านี้เป็นไปได้ด้วยดีนะมีความสมบูรณ์มีความบริบูรณ์ก็เรียกว่าอุปธรรมพรกกรรมกรรมที่มาเบียดเบียนกรรมมชรูปเหล่านี้ก็เรียกว่าอุ ป, ป, ปีละกกรรม กรรมที่มาทําลายรูปเหล่านี้ให้แตกทําลายเสียหายไปก็เรียกว่าอุปคาตกรรมแล้วกรรมที่ทําให้รูปเกิดเนี่ยนะเป็นผลของดวงที่เจ็ดก็ได้เป็นผลของดวงที่สอ ง, งถึงดวงที่6ก็ได้เป็นผลมาจากกรรมหนักก็ได้กรรมหนาก็ได้มาจากอาสัญกรรมอาจินกรรมก็ได้ที่มาให้ผลนําเป็นรูปแบบนี้เพราะนี่คือความเกิดขึ้นแห่งรูปแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นมีอายุไข เหมือนข้าวของเครื่องใช้ที่ผลิตมาจากโรงงานสิ่งเหล่านั้นมีอายุไขยัยใช่ไหมเช่นรถยนต์นี่มีอายุายใช้อายุไขใช้กี่ปีก็แล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อหรือแล้วแต่ถนนแล้วแต่สภาพของคนใช้แต่ที่สุดของรถยนต์ทุกคันคือไม่เที่ยงเหมือนกันภาชนะดินที่นายช่างหม้อจะปั้นเก่งขนาดไหนงดลวดลายงดงามวิจิตรสักตาใดก็ตามภาชนะนั้นก็ต้องมีอันแตกทํำลายไปเหมือนแก้วใบสวยๆใบบางๆหน่ยนะ จะปั้นงวดลายงูดงามวิจิตสักปานใดก็ตามแก้วใบงามงามนั้นก็มีอันแตกทําลายไปเหมือนร่างกายของเราทั้งหลายที่มีผิวหนังอันเบาบางมาปกปิดเนี่ยนะมันจะเทียงมันจะยั่งยืนมาจากไหนเพราะนั้นกรรมทั้งหลายก็เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยสร้างสรรสิ่งเหล่านี้ขึ้นแต่กรรมก็ไม่มีในรูปรูปก็ไม่มีในกรรมแต่กรรมให้ผลเป็นรูปกรรมก็สิ้นไปแล้วดับไปแล้วสิ่งที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้ว เป็นปัจจัยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยอํานาจนานักค่าเขนี้กับรร ม, มะปัจจัยเมื่อสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เนี่ยนะเราจะไปคาดหวังอะไรจากรูปทีนี้นี่คือกรรมมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตถ้าจิตจชรูปแหละเกิดทุกอุปาทขณะของจิตเวน้นเว้นปฏิสนที่จิตไม่ทําให้จิตจชรูปเกิดอันนะ ทวิปัญจาวิญญาณจิตไม่ทําให้จิตตชรูปเกิดจุตติจิตของภาหานไม่ทําให้จิตตชรูปเกิดอรูปภพไม่ทําให้จิตตชรูปเกิดจิตที่เหลือในอุปาทขณะก็ทําจิตตชรูปในบรรดาจิตตชรูปจิตตชรูปบางอย่างทําให้เกิดอิริยาบถด้วยมีอิริยาบถเกิดด้วยบางอย่างทําให้เกิดวิญัาติด้วยจิตเป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดเฉยก็มี จิตเป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดเกิดอิริยบทด้วยก็มีจิตที่เป็นปัจจัยให้แก่จิตตชรูปรูปเกี่ยวกับอิริยบทหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับวิญญาติรูปก็มีอันนั้นนั่นคือจิตนั้นจิตนี้เป็นปัจจัยให้รูปเกิดทุกอนุขณะจิตเนี่ยนะทุกอนุขณะจิตอืมขอโทษทุกอุปาทขณะของจิตนะจิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิดทุกอุปาทขณะของจิตก็สืบเนื่องกันมาเป็นอย่างนี้ ทีนี้เมื่อมีจิตอย่างนี้แล้วนะรูปเหล่านี้เป็นไปเกิดจากกรรมเกิดจากจิตแต่ก็ต้องอาศัยอาหารถ้าอยู่ในคันก็เจริญเติบโตด้วยข้าวาด้วยอาหารที่ผ่านมารดาเนี่ยนะผ่านมารดาเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่ในคันแห่งมารดามารดาบริโภคสิ่งใดไปสัตว์ทั้งหลายก็รับอาหารจากมารดานั่นแหละไป นะก็รับอาหารจากมารดาทั้งอยู่ในคันบอกรอดออกมาจากคันก็บริโภคอาหารข้าวสุกและขนมสดเจริญเติบโตจากผักไม้ใบหญ้าโอ้ยของเรานะีกว่าจะมีร่างกายเท่าทุกวันเนี่นะไปกินอาหารมาจากที่ไหนมั่งเนอะผ่านมากี่ร้านแล้วพี่ต่อยไปกี่ร้านนะนะทั้งแขกไทยฝรั่งจีนอะไรผสมมั่วกันยุ่งกันไปหมดเลยไหมมาจากอาหารไม่รู้กี่อย่างมาผสมปนเปกันรวมอยู่ในร่างกายอันนี้ขึ้น เมื them, well, ่อร่างกายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปได้อย่างนี้เจริญเติบโตสืบเนื่องอย่างนี้ก็เป็นผลพวงทําให้ทําจิตอุตุชรูปเกิดขึ้นกรรมก็เป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปกรรมชรูปเป็นปัจจัยแก่อุตตุชรูปจิตชรูปก็เป็นปัจจัยแก่อุตตุชรูปอาหารชรูปก็เป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปเพราะฉะนั้นเมื่อเราทิ้งร่างกายไปจึงเหลือแต่อุตุชรูปที่เป็นปัจจัยมาจากกรรมมาจากจิตมาจากอาหารก็ทําให้รูปเหล่านี้เป็นไป อันนี้คือความเจริญเติบโตของรูปรูปเจริญเติบโตมาจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่เลิกโตเว้นแต่ไขมันไขมันเนะี่ยยิ่งอายุมากก็ไม่ได้ลดนะนะแต่ว่าเช่นพวกลักษณะเช่นพวกกระดูกพวกสมองพวกอะไรหลายๆเรื่องนี่มันจะเลิกสร้างนะพอไปถึงระดับหนึ่งมันเลิกสร้างอุ ป, ปจัยรูปเลิกเลิกทากิจนะที่เหลือซ่อมบํารุงอย่างเดียวนะซ่อมบํารุงซ่อมบํารุงแต่ซ่อมยังไงมันก็พังเหมือนเอาบ้านผุผุมาเนี่ยนะเอา ครียว่ารับซ่อมบ้านผุเนี่ยซ่อมยังไงมันก็ชั่วระยะหนึ่งแล้วในที่สุดมันก็ผุพระองค์จึงตรัสว่ากายของพระองค์นี้เหมือนกวนเก่าที่ค่ําค่าที่เป็นไปได้ก็อาศัยไม้ค้าไม้ไม้มาโอบมาดามเหมือนมาปะมาอะไรเนี่ยนะก็อยู่แต่ไม่นานกายนี้ก็จะแตกทําลายไปเพราะที่สุดของการสร้างก็คือการแตกทําลายไปเหมือนกับว่าเอาสร้างบ้านสร้างตึกขึ้นมาสักหลังหนึ่งพอสร้างเสร็จที่เหลือก็เก่าเก่าก็เริ่มร้า พอมีปัญหาก็ดูแลนิดๆหน่อยๆทั้าหมดอายุไขจริงๆไปทํำอะไรก็ระเบิดทิ้งอย่างเดียวทัว้นตายนี้ก็เหมือนกับตึกที่ในที่สุดเขาก็ดูแลไม่ไหวก็ต้องเผาทิ้งลงไปนะถ้าไม่เผาก็ฝังถ้าไม่ฝังทําไงก็เป็นเหยื่อแห่งหมูน่นอนเป็นต้นแต่ในที่สุดก็แตกทําลายไปในที่สุดเขาจึงมองเห็นทั้งความเกิดขึ้นของรูปเหล่านี้ความเจริญเติบโตวความเกิดขึ้นของกรรมชะลุกความเกิดขึ้นของ จิตแต่ชโรคความเกิดขึ้นของอาหารชโรคความเกิดขึ้นของอุตุชื้อโรคและความแตกทําลายไปแห่งตัมมาชโรคนะเช่นตาของเราเนี่ยอายุมากๆก็ต้องเป็นลอกต้องไปอะไรเอาแว่นมาช่วยหูก็เริ่มมีปัญหาจมูกเริ่มมีปัญหาฟันก็เริ่มมีปัญหาผิวหนังก็เริ่มมีปัญหาผมก็มีปัญหาขนก็มีปัญหาเล็บก็มีปัญหาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเริ่มมีปัญหาแม้กระทั่งตับไตหัวใจพังผืดก็เลยมีอู่รับซ่อมเรียคลินิกนะนะ เลนิ ก, กรับดูแลโรงพยาบาลก็รับดูแลโรงบวกวยะบวกปาละเนี่ยนะโรงก็คืออาคารบ้านเรือนไงพยาบาลก็มาจากวยะบวกปาละรักษาความเสื่อมคือหมายก็ว่ามันเสื่อมอยู่แล้วให้มันเสื่อมให้มาให้มันเสื่อมช้าลงนะบางอย่างให้มันเสื่อมช้าลงแต่ยังไงก็แตกําลายไปในที่สุดก็ที่เหลือก็ภารกิจของสัปเหร่ดูแลจัดการไปว่าสัปเหร่ทําไงดี อันนี้จะให้เผาหรือให้ฝังให้เผาชนิดไหนอะไรยัางก็ว่าไปก็สังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้รูปทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้เมื่อรูปเหล่านี้ไม่เที่ยงเหมือนอย่างว่ามีต้นไม้อยู่ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตัวรากก็ไม่เที่ยงลำต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งและใบก็ไม่เที่ยงถ้าผู้ใดมาบอกว่าเงาร่มเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงคนนั้นจะพูดถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไร เพราะต้นไม้ต้นนั้นมีรากก็ไม่เที่ยงลำต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งและใบก็ไม่เที่ยงร่มเงาแห่งสิ่งเหล่านั้นจะเที่ยงมาจากไหนกายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดจนถึงตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงแล้วใจที่อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใจจกเที่ยงมาจากไหนวิญญาณที่อาศัยเกิดทางจากขรเรียกจากขรวิญญาณจกเที่ยงมาจากไหน วิญญาณที่อาศัยหูเกิดเรียกว่าโสตะวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนวิญญาณที่อาศัยจมูกเกิดเรียกคานะวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนเมื่อจมูกไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อจมูกไม่เที่ยงเป่นก็ไม่เที่ยงคานะวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนเมื่อจักขคู่ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจักขคูวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนเมื่อหูไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตะวิญญาณ จะเที่ยงมาจากไหนจมูกก็ไม่เที่ยงเปลนก็ไม่เที่ยงคานะวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนลิ้นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนกายก็ไม่เที่ยงโพธาภะก็ไม่เที่ยงกายวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนมโนก็ไม่เที่ยงธรรมารมณ์ก็ไม่เที่ยงแล้วความคิดทั้งหลายจะเที่ยงมาจากไหนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาพรรพราญาสาวกทั้งหลายเมื่อท่านได้ยินได้ฟังอย่างนี้ท่านจะเบื่อหน่ายในทุกทวัน คือก็คืออะไรทําไมจะไม่น่าเบื่อหนาก็เลี้ยงในสิ่งแต่ถ้าเลี้ยงแต่สิ่งนี้มันไม่เที่ยงเหมือนกับว่ามาเป่าอะไรนะเป่าฟองน้ําให้มันแตกแล้วก็เป่าใหม่เป่าแล้วให้มันแตกก็เป่าเล่นเป่าผมจะเล่นได้สักกี่ชั่วโมงเล่นเป่าลูกปองเป่าเสร็จก็ทิมให้มันแตกเป่าเสร็จทิมให้แตกไนี่ะจะถามว่าจะเป่าทั้งวันไหมผู้มีปัญญาทั้งหลายก็เลยบอกเออสังขารทั้งหลายที่ก่อขึ้นก่อก่อตัวขึ้นเพื่อความ ไม่เที่ยงสังขารที่รวมตัวกันขึ้นก็ไม่เที่ยงสังขารทั้งมวลรวมตัวกันขึ้นก็ไม่เที่ยงแล้วจะเพลิดจะเพลินจะสุขจะทุกข์กับสังขารเหล่านี้ไปทำไมเพราะฉะนั้นก็ท่านจึงปฏิบัติเพื่อหลีกออกจากสังขารโดยประการทั้งปวงนะจิตของท่านจึงพยายามที่จะม้วนกลับจากสังขารทั้งปวงทีนี้ถ้าจิตไม่ม้วนกลับละ่ะก็ต้องกลับมาวิจัยใหม่ที่จิตไม่ไม่ถดไม่ถอยไม่มว้วนไม่งอ ยังยืนดีที่ยื่นไปรับสังขารนะเป็นเหมือนมือประมึกเนี่ยนะไปเที่ยวเกาะไปทั่วไปหมดก็แสดงว่าสังขารไม่ได้ร้อนจริงในความคิดของเราพันท่านจึงสอนให้เจริญอนิจจสัญญาให้ตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกอนิจเจทุกขสัญญา ให้พิจารณาสัพพสังขารว่าไม่เที่ยงแล้วก็สังขารที่ไม่เที่ยงนั่นแหละให้พิจารณาโดยความเป็นทุกข์แล้วพิจารณาสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่าทุกเขอนัตตะสัญญาให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่ามันเป็นอนัตตาให้เห็นสิ่งที่ไม่เท uh. ี่ยงนั่นแหละว่ามันเป็นทุกข์ให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็นอนัตตาแต่ใจจริงๆเราก็ไม่ค่อยยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็ตามเห็นซึ่งอย่างจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นเราก็ได้แต่คาดหวังว่าสัังารมนจะดี ได้แต่คาดหวังว่ามันจะดีซึ่งคิดยังไงมันก็ไม่ดีอย่างที่เราหวังหรอกเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหวังยังไงหวังให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเราหวังให้เป็นสุขก็มันไม่สุขอยู่จริงเมื่อไม่สุขอยู่จริงเราจะปล่อยใจไปให้สังขารมันหลอกเราทําไมเนี่ยนะเพราะความคิดนั้นก็คือสังขารชนิดหนึ่งใจก็เป็นสังขารเพราะเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นถูกสร้างขึ้นสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เที่ยงไม่เที่ยงจะหวังไปถึงไหนกัน เพราะฉะนั้นท่านจึงพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดมัดจุผู้ฉลาดแดนไม่ใช่มัดจุผู้ฉลาดเหตุแห่งมัดจุผู้ฉลาดเหตุแห่งทางเพื่อมิใช่มัดจุคือพระพุทธเจ้าฉลาดรู้ทางแห่งการสร้างสังขารพระองค์นี้ฉลาดรู้ทางแห่งพระนิพพานพระองค์จึงแยกสองส่วนให้เห็นว่านี้คือทางแห่งความทุกนี้ทางแห่งความสุข พระองค์จึงบอกว่าทางแห่งความสุขคืออะไรก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายพระองค์ก็บอกนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียคือจงตัดฉันทราคะจงตัดเยื่อใยตัดอาลัยอาวรนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถ้าเธอตัดฉันทราคะตัดตันหาตัดอาลัยอาวอนในขันห้าได้ นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนะเธอทั้งหลายจงตัดฉันทราค่าในสิ่งเหล่านี้ซะจงตัดใจในสิ่งเหล่านี้เถิดถ้าเธอตัดใจตัดฉันทราค่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายรืเสียงกลิ่นรสโภภพธภธรรมรมณ์ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดใจจงตัดอาวอนจงตัดเยื่อใ่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมเสียถ้าเธอตัดใจได้อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อกูลแก่เธอทั้งหลายเคยเห็นไหมคนที่ตัดใจไม่ได้เมื่อสิ่งนั้นเสื่อมไปนี่จะไม่เศร้าโศกมีไหมถ้าหากว่าเราไปตัดใจตัดอะไรตัดเยื่อใ่ในสิ่งนั้นไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นเสียหายไป อะไรเสียด้วยใจก็เสียด้วยถ้าจุติตอนนั้นจะไปไหนก็ตัวไผยกับตัวไผ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้ตัดฉั้นธราคะในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าเรากําหนดทิศทางแห่งคําสอนได้อย่างนี้การศึกษาคําสอนเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราเพราะนนัน้พื้นฐานที่สุดเราต้องพยายามเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเราอะไรท่านสอนให้เรารู้อะไรท่านสอนเราเพื่ออะไร อันนะัถ้าเรารู้พระธรรมของคำสอนของพระองค์แล้วเป็นอย่างไรก็ต้องแต่ที่ไม่ควรลืมก็ให้นึกถึงคำของพระอนุรุท ธ, ธะบ่อยๆมหาปริสวิตตกแปประการนั่นคือลักษณะของคำสอนว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะของผู้มักน้อยไม่ใช่มักมากธรรมะนี้เป็นของผู้สันโดษไม่ใช่สั่งสมธรรมะนี้ของผู้ปรารความเพียนไม่ใช่เกียรครานธรรมะนี้ เป็นของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่หลงลืมสติธรรมะนี้เป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ฟุงซ่านธรรมะนี้ของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของผู้ไม่มีปัญญาธรรมะนี้เป็นของผู้ผู้เลิกขยายวัตตะไม่ใช่สร้างวัตตะธรรมะนี้เรียกว่ามีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในความเนิ่นช้านี่คือลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อก่อสังสมวัตตไม่ใช่เป็นไปเพื่อพอภูนวัตตถ้าพอกพูนวัตตก็คือพอกพูนกองทุกเนี่ยนะพอกพูนผมขนเล็บฟันหนังก็คือพอกพูนกองทุกขแล้วเมื่อใดจะพ้นจากทุกเล่ามันการศึกษาโดยเฉพาะวิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อความพ้นทุก์เพื่อความพ้นทุกก็คือเพื่อดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณศึกษาเพื่อดับตาหูจมกูกเล่นกายใจ ศึกษาเพื่อดับรูปเสียงเกลิ่นรสผลิภัณฑ์และธรรมรมศึกษาเพื่อดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณผู้ใดดับฉันทราฆะในสิ่งเหล่านี้ได้ผู้นั้นก็ดับทุกขั้งมวลแต่ถ้าไม่ดับฉันทราฆะในสิ่งเหล่านี้นะฉันทราคะเกิดบอกว่าตันหาโปโนพระวิกาเพราะความชอบในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละคือการชอบพบใหม่ เมื่อชอบพบใหม่ก็ชอบชาติชารามรณะโสกกะปริเทวทุก package, โทมนัสและอุปายาตตรงนี้เราจะต้องมาศึกษาทางเบี่ยงตรงนี้ให้ดีๆทางเบี่ยงทางเลี่ยงออกจากวตะเพื่อจะได้ไม่เสนอตัวไปในคุกคือวะัะเพราะทุกคือวตะนี่มันโหดมากนะอยากตีหัวเร า, วาตีจนมึนเลยนะนั่งฟังธรรมมันตีจนมึนใครไม่เคยบั่งนั่งฟังธรรมอยู่นี่มันจิ้มที่หลังก็ปวดหลังเลยไง นั่งนั่งไปนั่งมาปวดเข่าอีกแล้วโอ้วาตาเปนโหดร้ายมากวักได้แก้ได้เวลากินอีกแล้วไงนะเดี๋ยวก็จิ้มที่ท้องให้หิวให้จุกให้เสียดอุ้ยวาตานี่โหดร้ายมากแล้วมันก็ทําให้แก้วแก่เอาเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยนะมันถูกชราครอบงําถูกอะไรนะถูกชาตินําไปพยาธิครอบงามรณะเลยห้ำหั่นเลยกระนี้หั่นแล้วแต่มันจะเลือกหั่นตรงไหนก่อนใช่ไหมบางพวกก็เลือกหั่นแขนหั่นขาแล้วค่อยตัดไปเรื่อยนะ ยมคนหนึ่งเขาบอกเขาถูกตัดขาไปแล้วแสดงว่ามันหันที่ขาก่อนบางคนก็เลือกหันที่หูเลือกหันที่จะโมกบางคนก็เลือกหันที่คอเรบอกว่าโยมคนหนึ่งว่าาถูกฆ่าตายหันคอเกือบขาดอย่างนั้นนั่นคือพญามัจจุราชเพราะโลกนี้รูปข่ารูปรูปข่านามนามข้ารูปนามข้านามนามข่ารูปมันก็เคนข่าซึ่งกันและกันเพราะโลกแห่งสังขารที่ไม่เที่ยงทีนี้เราจะสร้างสมสิ่งที่ไม่เที่ยงไปถึงไหนหลการศึกษาธรรมะถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของคําสอนได้ถูกต้อง ศึกษาพระไตรปิฎกไม่ใช่เป็นของหนักกลับเป็นของเบาเพราะเป็นไปเพื่อความเบาใจถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราได้ฟังได้ยินครั้งนี้ช่วงเช้า ว, วันนี้ก็ขอเป็นไปเพื่อความโล่งใจเป็นไปเพื่อความเบาใจเป็นไปเพื่อความสงบใจโดยเฉพาะสงบวัตฏะได้ก็ชื่อว่าสงบทุกข์ทั้งปวงช่วงเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน